บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงช่วงของการอธิษฐานหรืออาราธนากรรมฐานที่ได้กล่าวไว้ในตอนตอน้นในช่วงที่ว่าขอจิตของข้าพึงละนิวรน คือการมาฉันกับทั้งพยาบาทเป็นต้นนั้นกิเลสประเภทที่ได้ชื่อว่านิวรณนคือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกรุ่มรุ่มใจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลตามลักษณะของกิเลสเดล่านั้นเพื่อนเดียดสังเกตได้ว่ากิเลสนั้นคล้ายๆกับสี ที่ราใส่ลงไปในน้ำจะทำน้ำให้เปลี่ยนแปลงไปตามสีของตัวเองที่จริงโดยสถานะของน้ำแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่เมื่อมีสีเข้าไปก็จะทำให้น้ำเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกๆสีจิตนั้นท่านเรียกว่า เป็นสิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่ก็จะเกิดอาการโดยลาพังตัวเองไม่ได้จะ ต, ต้องมีสิ่งอื่นเข้ามาปรุงแต่งที่ท่านเรียกว่าเจตสิกเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาประกอบกับจิตมาปรุงจิตให้แปรผันไปตามตัวของเขาเอาก็จริงแล้วจิตก็ไม่เป็นอิสระในส่วนตัวเอง ต่างๆ ท, ที่โดยสภาพแล้วก็มีความผ่องแพ้วอยู่พอสมควรที่พระเจ้าทรงใช้คำามาประพัดสอนหรือเรืองแสงแต่จิตเราก็สศมองเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแต่ในขณะบางขณะก็มีกุศลธรรมมนเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตจิตเราก็จะแปรผันไปในทางที่ดีจนกลายเป็นอาการปกติ ที่เรียกว่เป็นคนดีคนชั่วเป็นผ่านเป็นบัณฑิตซึ่งอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นจากจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยอกุศลอย่างต่อเนื่องแม้กันจะมีกุศลอยู่บ้างแต่ก็ไม่โดดเด่นคือไม่รักษาอยู่ได้นานอาการที่ประสบพบเห็นกันเป็นส่วนมากก็คือการกระทำที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีที่นั่นเรียกว่าเป็นคนผ่าน คนที่เป็นบัณฑิตรหรือเป็นคนดีนั้นก็มีลักษณะตรงกันค้ามจิตเองก็ถูกปรุงด้วยกุศลและเจตสิกมีความต่อนเนื่องแสดงให้คนอื่นเห็นทางกายบ้างทางวิางางาจาบ้างแม้จะตกไปสู่อำนาจของกิเลสทุกบ้างแต่ก็ตกไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่ประค้าประคองจิตรักษาสถานะของตัวเองไว้ได้ คนทั้งหลายพบความดีที่บุคคลเหล่านั้นกระทำได้อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นคนดีเรียกว่าเป็นบัณฑิตดังนั้นกระแสของชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทุกขั้นตอนรุวนแล้วแต่สืบเนื่องมาจากจิตและเจตสิกที่มาประกอบกัน ปัญหาในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนคําสอนอีกแนวหนึ่งที่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็คุ้นเคยได้ยินได้ฟังกันปปอยู่บ่อยๆเนื่องจากเจตสิกที่มีอิทธิพลสูงก็งมีอยู่สองกลุ่มที่จริงเจตสิกเขามีอยู่3กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกลางๆ ก, กลุ่มที่เป็นกุศลและกลุ่มที่เป็นอกุศลแต่กลุ่มนี้ยก่ให้เกิดเป็นบาปเป็นบุญ เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เป็นทางเสื่อมทางเจริญทางสุขทางทุกข์สวรรค์นรกอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสองกระแส น, นี้เพราะปัญหาในทางปฏิบัติท่านจะเน้นไปที่ตรงนี้มากเพราะส่วนกลางๆนั้นถ้ากิเลสมันลดลงไปความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีในสิ่งที่เป็นกลางๆที่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นสภาวธรรมก็จะลดหยอดลงไป ความทุกข์ที่ เ, เกิดขึ้นเพราะการยี่มั่นถือบ้านก็จะลดตามไปซึ่งหมายว่าความหมายความว่าความสุขก็จะเกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลนั้นๆในคําสอนจึงสอนในแนวที่เราเรียกว่าภาณะกับภาวนาคือพยายามลดละสกัดกั้นเจตสิกที่เป็นอกุศลจนภาวนานั้นก็คือการเพิ่มส่วนที่เป็นกุศลขึ้น เป็นการแสดงเห็นว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นก็เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลมากบางน้อยบางแต่ก็ไม่ได้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแต่ว่ากิเลสเกิดมากหรือเกิดน้อยธรรมะเกิดมากหรือเกิดน้อยแลต่ขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในขณาดจิตของบุคคลอาการกริยาของบุคคลตลอดต้องการดํารงชีวิต ในแต่ละวันของบุคคลเดียดนั้นนิวรนั้นเป็นกลุ่มของอกุศลเจตสิกที่ท่านตัดตอนมาพูดในช่วงที่มีความเข้มข้นไม่มากเกิดไปแต่ว่าทำจิตใจให้แปรผันไปด้วยอำนาจของตัวเองซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้อุปมาให้นึกในส่วนที่เป็นรูปธรรม โดยมองเห็นโทษไปจากแจ้งแก่ใจเพราะในเรื่องเหล่านี้เพิ่งสังเกตว่าทางศาสนาเองก็ทำได้แค่แสดงที่เรียกว่าชี้ทางบรรโททุกข์ที่สุขเกษมสารให้พระเจ้าเองก็ประกาศสถานะของพระองค์เป็น เ, เปรตเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้น ส่วการจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดรอดจากอํานาจของกิเลสหรือว่าสัมผัสผลของธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเองการศึกษาเรื่องของกิเลสประเภทจะเรียกว่านิวรณ์หรือว่าประเภทไหนก็ตามที่จริงเราอาจจะใช้คําระดับนิวรณ์เพราะจริงๆแล้วกิเลสบางก็พวกเดียวกัน ยังแต่ว่าพอความเข้มข้นมากท่างเรียกอย่างหนึ่งความเข้มข้นน้อยท่านก็เรียกอย่างหนึ่งความเข้มข้นกลางๆท่านก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกพวกนั้นแหละเรียกกิเลสทั้งสากลุ่มที่เคยศึกษากันมาโดยลำดับนั่นเองประเภทของกิเลสนั้นถ้าเราหยุดเขาได้สักฝ่ายหนึ่งเจนหยุดฝ่ายที่หยาบไว้ได้แต่ฝ่ายกลางๆกับขวายละเอียดมันก็ไม่เพิ่มขึ้น เราหยุดฝ่ายที่เป็นกลางๆไว้ได้แต่ความรุนแรงก็ไม่เพิ่มขึ้นกิเลสฝายละเอียดอัดมีตกลงว่าเราก็ลดกิเลสได้สองระดับระดับหยาบกับระดับกลางแต่ถ้าเราตัดกิเลสระดับละเอียดได้ระดับหยากระดับกลางก็หมดไปเพราะจริงๆกิเลสระดับกลางระดับหยาบนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสระดับละเอียดคนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกตว่าความรักก็ดีความชังก็ดี จนก่อให้เกิดเป็นการพูดการกระทํานั้นมีจุดเริ่มต้นเล็กๆเช่นความจังก็อาจจะเกิดมาจากความไม่พอใจนิดๆหรือความไม่ยินดีหน่อยๆี่เกิดขึ้นไปในจิตก่อนก็ทํานองคล้ายๆกับเชื้อโรคซึ่งก่อตัวขึ้นนิดเดียวทานองกับปรากฏการธรรมชาติต่างๆหรือผลิตไปเกิดขึ้นจากการก่อตัวจากจุดเล็กๆ และมีสิ่งต่างๆเข้ามาผสมผสานผ่านการเวลามีสิ่งที่แสกซ้อนเข้ามาแลทีสุดมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่าที่จริงแล้วมันมีอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายต้นไม้แต่และต้นที่มีร่มกิ่งก้านสาขาแผ่ไปไปสารลาต้นใหญ่โตมานั้นที่จริงมีจุดเล็กๆมาแต่แต่ตอนต้น มันก็โตขึ้นมาได้ลุดดับหรือแม้แต่ลำธารแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำวงโขงแม่น้ำยางสิกียงแม่น้ำโของอะไรก็ตามคือถ้าเราสือไปถึงต้นน้ำแล้วจะเป็นตาน้ำเล็กๆแต่นั่นเองแต่พอแกเริ่มไหลามามันก็เจอน้ำอื่นเข้ามาบวกเรื่อยๆทำไมมีกำลังในการพัดผ่านะเรื่อยๆ ก็แสกแหวกแผ่นแผ่นดินทําให้มีการพังทลายลงมาก็กลายเป็นแม่น้ําใหญ่เกิดมาได้กิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นธรรมะมก็มีลักษณะอย่างนั้นมาเริ่มมาจากจุดเล็กๆถ้าเราดับตรงนั้นได้คล้ายๆกับเชื้อโรคที่เกิดขึ้นก็เห็นอาการนะแต่ตอนต้นก็ดับไปตรงนั้นสายหายไปตรงนั้นอาการโรคที่รุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะดับได้ตั้งแต่เล็กๆ กิเลส ท, ที่จริงมันมาจากธาตุคือเชื้อที่มีอยู่ภายในใจเราบางเีมันก็ไปขยามากอะไรเท่าไรแต่บางีก็ไปรับเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเพิ่มของกิเลสพึงสังเกตว่าเกิดขึ้นจากการกระแทกกระทันของสิ่งที่ก่อให้เกิดกิเลสเช่นในกรณีของความความรักหรือความชัง แม้ยความเจอสิ่งนั้นบ่อยๆพู ก, กับสิ่งนั้นบ่อยๆพบ ก, กับสิ่งนั้นผลนั้นบ่อยๆมันจะเกิดได้ทั้งรักทั้งชังหรือเพิ่มขึ้นมาได้แล้วอารมณ์รักอารมณ์ชังที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเมื่อผ่านเวลาไปก็เป็นอารมณ์ในอดีตแต่เราก็มีความเพลิดเพลินชื่นชมพอใจยินดีในอารมณ์เหล่านั้นว่างๆไม่ทำอะไรก็เนียวนึกถึงอารมณ์เหล่านั้น โดยความใคร่ความปรารถนาความกระสันอยากที่จะให้บังเกิดขึ้นต่อไปจิตใจเราจะเ ร, ริร่มแปรผันไปเพราะอะไรเพราะป ร, ะปริมาณความรู้สึกรักหรือรู้สึกชังก็เพิ่มขึ้นบางทีกระสรับกระส่ายเองสังเกตดูจิตของตัวเองว่าบางคืนกระสรับกระส่ายนั้นเป็นการหาเรื่องให้กระสรับกระส่ายเองเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้ว มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตดใจปันกระสารหาก็เนียวนึกแกกลับมาลักษณะที่เขาพูดในยุคหนึ่งที่เรียกว่าปลูกผีขอมมนิษฐ์หมายความจริงจริงสิ่งเอลนั้นมันตายแล้วเราก็ปลูกขึ้นมาปลูกขึ้นมาแล้วก็ปลูกขึ้นมาเพื่ออะไรปลูกขึ้นมาเพื่อหลอกเราเองเพราะทั้งหมดในกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่จริงเกิดขึ้นจาความคิดของเราทั้งหมด เราปลูกขึ้นมาเองแล้วก็เขาเพิ่มปริมาณขึ้นมาโดยการตึกนึกอย่างต่อเนื่องของเราคิดถึงไม่ชัวช่วชั่วโมงเนี่ยฮะความแปรผันไปในจิตมันต้องเกิดขึ้นทีนี้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการกระแทกในขณะนั้นหรือเกิดขึ้นโดยการเหนียวนึกขึ้นในขณะนั้นเพราะอะไรเพราะกระแทกตามลพาพังนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ว่าใจเรารับแรงกระแทกนั้นได้หรือไม่เราต้านทานต่อแรงกระแทกนั้นได้หรือไม่แต่เราต้านทานได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรคล้ายๆกับเราเดินไปกลางฝนแต่ว่าร่างกายเราแข็งแรงมีภูมต้านทานโรคสูงทันี้จะเป็นหวัดจะไอจะจามจะมีน้ำมูกมันก็กรู้สึกกระเป๊ะกระเป่ากับจะกระเจิงขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันคนอื่นๆที่มีภูมิต้านทานทางกายต่ํากว่านั้นก็อาจจะเป็นบัาด อ, อาจจะไออาจจะจามจนจนถึงกระค่ายส่งไปเลยก็มีอนภาพเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเห็นกันได้ในส่วนที่เป็นรูปประทับและเป็นสัมปัตตรงในแต่ละขณะของความคิดที่เกิดไปเกี่ยวข้องกับกิเลสขึ้นมา บางอย่างเป็นการวาดหวังเป็นการคาดหมายว่าต่อไปน่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไปน่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปน่าจะเป็นเช่นโน้นะไก็เป็นความมาคาดเกิดขึ้นในระรับการอนาคตนะตรงนี้ลองสังเกตว่ามีโมหะสูงมีพยาบาทสูงที่เราเรียกว่า คือตัดต่อซะเลยอย่างสำนวนที่เขาเรียกว่าคือว่าตัดให้ขาดไปไม่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างเช่นการฆ่าล้างโคตรกันในสมัยโบราณ น, นั้นเป็นอาการของเริ่มจุดเริ่มต้นก็เป็นนิวรณที่เหนียวนึกสึกนึกขึ้นมา เออต่อไปในคนพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อลูกหลานของเราญาติพี่น้องของเราหรืออจจะไปเข้ากลุ่มเดียวกับศัตรูเราแล้วก็รวบรวมกำลังมาทําลายเราทําลายพิญญาพี่น้องของเราลูกหลานของเราก็ว่ากันไปก็แล้วแต่คิดเอาแต่ทั้งหมดพึงสังเกตว่าจริงๆแล้วอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าจะเกิดมันก็เกิดในอนาคตซึ่งเมื่อไร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เพราะใจที่มีการเพิ่มกิเลสขึ้นมาเพราะการตรึกนึกการเหนียนวนว น, วนึกเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวงใยขึ้นมา ก, กลายเป็นเรียกว่าตัดรากถอนโคนมีกิจกรรมต่างๆที่เราไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยทได้จากการฆ่าเด็กๆ กลัวว่าต่อไปอีก20ปี30ปีข้างหน้าเด็กๆ เ, เหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของตัวเองหรือตัวตัวเองถึงแต่เรามองในแง่ของสัจธรรมว่าเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่เราก็ไม่รู้เด็กนั้นจะมีอายุยืนไปถึง30ปีข้างหน้าหรือไม่เราก็ไม่รู้ลูกหลานเราที่จะเกิดขึ้นนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับเด็กเหล่านั้นหรือไม่เราก็ไม่รู้คือทั้งหมดที่จริงมันเป็นโมหะ โมหะหมดทุกเรื่องโมหะที่เกีย่ยวกับเด็กโมหะที่เกีย่กยวกับญาติพี่น้องโมหะที่เกีย่ยวกับชีวิตดาวทำให้ความพยาบาทเนี่ยมันสูงขึ้นหรือโทสะมันสูงขึ้นอย่างที่เคยเจอองค์ธรรมกลุ่มนี้อยู่เสมอว่าพวกกิเลสกับพวกธรรมนั้นจะมีลักษณะเดียวกันหมายความว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดส่วนอื่นที่เป็นเครือเดียวกันก็จะเกิดขึ้น ในขณะที่ส่วนที่เป็นเครือเดียวกันเกิดขึ้นนั้นก็มีตัวหนึ่งที่แฝงตัวอยู่แต่พร้อมที่จะปรากฏขึ้นมาแทนในขณะนั้นนั้นคล้ายๆกระแสงสว่างที่ปรากฏอยู่ในห้องขณะ น, นี้ก็มีความมืดแฝงอยู่คือพร้อมที่จะปรากฏตัวเมื่อไฟมันเกิดดับขึ้นกิเลสก็มีลักษณะอย่างนี้เช่นสมมติว่าการมาฉันทะนิวรณ์ที่เกิดขึ้น ภายในใจของเราคือถ้าเรามองอาการที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นมันก็เป็นกามาชันแต่ท่านสาธารชนเพิงสังเกตว่ากามาชันเอาก็จริงแล้วมันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสองป่ายใหญ่ๆด้วยกันกามาชันท่านจึงแปลว่าความกำหนัดรักใคร่พอใจในสิ่งที่ตนใคร่้วยอำนาจของความใคร่หมายความว่าอย่างไงหมายความภายในใจเรานั้นต้องมีกิเลสประเภทนี้อยู่ภายในใจ ที่จะเป็นเครื่องมือให้เกิดความใครายขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันก็ต้องมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกแต่ตัวกระตุ้นจากข้างนอกนั้นก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งจะหนีไปไหนล่ะเพรา ะ, ระนั้นปัญหาใหญ่จึงไม่อยู่ที่ตัวกระตุ้นนั้นเท่าไหร่อยู่ที่ใจกำหนดตัวกระตุ้นนั้นว่าหน้าคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเพราะ้นมีของเป็นอันมากที่เราพบเห็น เรื่อนี้มีห้างสรรพสินค้าเป็นอันมากขายสินค้าจุเวลาเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเหล่านั้นไม่ใช่มาความมาราชอบทุกอย่างมีเป็นอันมากที่เดินผ่านไปเลยแม้จะจาเรื่องดูยังไม่จาเรืองแสดงว่าอะไรแสดงว่าวัตถุทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นที่ใครเสมอไปเพียงแต่ว่าในขณะใ ด, ดใจไปกำหนดไปให้ความสำคัญกับตัววัตถุเหล่านั้น ทุกคนตัวสัตว์ตัวสิ่งของเหล่านั้นความใครมันก็บังเกิดขึ้นความพอใจความยินดีความต้องการความปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าขาดไปสักอย่างสมมติว่ามีตัวกระตุ้นอะไรอย่างดีเลยเรียกว่าทั้งบำรุงทั้งบำเรอด้วยวิธีการต่างๆแต่ใจนั้นไม่ยินดี แต่นั้นไม่มีกิเลสกามอยู่ภายในคือกิเลสเป็นเหตุในไคร่อยู่ภายในตัวนอกก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าจับใดที่ยังมีตัวในอยู่แม้ไม่มีตัวนอกก็มีปัญหาซึ่งก็ น, นี้จะต้องดูเห็นที่จิตเราเองว่าในขณะบางคืนไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่ผ่านมาในขณะนั้นซึ่งมีแรงกระแทกกระทันทางใจสูงแต่ว่าใจก็เก็บสต๊อกสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นนั้นมาก ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็คิดถึงเรื่องเหล่านั้นความก้าหนัารักใครก็บังเกิดขึ้นใจก็สายไปสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างดังกล่าวพันธทั้งหมดอย่างกิเลสหรือธรรมะที่จริงมันก็เหมือนกันนะฮะมันจ ะ, ะ ม, นมันจะสายเหมือนกันอาการที่เราเห็นชัดในชีวิตของเราเพราะกิเลสนั่นก็เลือลอเล้อยและเกาะเลือ้อยเกาะเลื้อยเกาะเหมือนกระพันไม้เลื้อยทั้งหลายนะ แล้วก็เลื้อยแล้วไปเกาะเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็เกาะติดอยู่เรื่อยทําให้คนบางทีถ้าเรามองเป็นภาพภาพแล้วดูแล้วก็น่าสงสารแต่ที่จะเป็นภาพที่น่าชื่นชมยิน ด, ดีโดยทรงอุปมาให้เห็นที่จริงพระเจ้าเล่าเองไงนะทรงเล่าว่าอาการเหล่านี้อาการของจิตจิตเป็นจิตนี้มันเหมือนกับลิงที่ติดตัง้ง ต่างนั้นก็เป็นยางเหนียวที่เขาดักไว้ลิงจะไปนั่งหรือว่าจะไปเหยียบหรือจะไปจับอะไรก็ตามมันจะติดคือเริ่มจากตัวไหนก็ได้เริ่มจากนั่งก็ได้เริ่มจากเหยียบก็ได้เริ่มจากจับก็ได้เริ่มจากเบียดเอาก็ได้มันจะติดพอติดแล้วจะใช้ความพยายามสลัดให้หลุดมันจะติดมากขึ้นขึ้นเสร็จไปนั่ง เอาเท้าไปแกะมันก็ติดเท้ามือไปแกะก็ติดมือปากไปกัดก็ติดปากทีนี้ติดหนึบเยอะงี้นึ่งนั่นคือลักษณะของจิตที่ทรงสอนให้ดูเป็นอุปมาที่จริงไม่เชิองอุปมาหรอกมันเป็นตัวอย่างเรานี่ยเป็นการสะท้อนมาจากจิตอาการก้องลิงที่ปรากฏในขณะนั้นที่จริงสะท้อนจากจิตซึ่งมันเริ่มเริ่มเริ่มต้นมาจากความประมาทคือขาดการสังเกตจะไป น, นั่งเอาบน บนตังซึ่งเป็นยางเหนียวเมื่อรู้ว่าไปติดยางเหนียวก็ดิ้นรนเพื่อจะช่วยเหลือตัวเองอาการเป็นอาการดิ้นของจิตเป็นความคิดมาจากจิตว่าจะต้องหนีสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ไดแต่เนื่องจากมีโมหะอยู่ก็แก้ไม่ได้แทมที่จะลดอาการติดตังก็จะเพิ่มอาการติดตัง พันติใจของบุคคลที่มีกิเลสประเภทนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นบางรั้งมีของเราอยู่ทุกคนทุกแห่งบ้านของเราอยู่ตั้งหลายจังหวัดลูกของเราอยู่ตั้งหลายจังหวัดเถี่งของต่างๆที่ทํางานต่างๆอยู่ตั้งหลายจังหวัดคนที่อยู่ถึงต่างประเทศอะไรต่างๆหัวใจมันจะไม่สงบวิธีการปฏิบัติ บางครั้งพระพุทธเจ้าจะสอนในรูปของวินีไหเป็นบทบัญญัติทางวินีไหนท่านสาธุ้นทั้งหลายจะสังเกตว่าที่จริงแล้วเป้าประสงค์นั้นเป็นอย่างเดียวกันเช่นทรงบัญญัติห้ามพระเอาไว้สมมติว่าพระอยู่ที่วัดหนึ่งจะไปเป็นเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งไม่ได้ให้รักษาการทุกครั้งทุกคราวช่วเหนือาศาสนานั้นได้แตอยู่วัดโนนทีวัดนี้ทีวัดนั้นทีนนทไม่ได้ เพราะไรเพราะท่านจะไม่สงบอยู่ในที่หนึ่งจิตจะวิ่งไปที่เนี่ยเป็นห่วงเป็นใยสิ่งเหล่านั้นที่นั่นที่นนแล้วในที่สุดไอ้เป้าประสงค์ที่ต้องการจะให้เกิดความสงบขึ้นไปในใจมันก็ทําไม่ได้สําหรับพระก็ส่งบัญญัติไว้เป็นรูปของพระวินยัยสําหรับชาวบ้านหมายถึงก็บัญญัติเป็นวินัยเอาขานาดนั้นเพียงแต่ว่าใอ้จี๊ดแจงให้เห็นถึงโทษของสิ่งเหล่านี้ ยานที่ทรงอุปมาในแนวของน้ำซึงสมัยโบราณเอกกระจกมันก็มีน้อยใช้พวกขันช่องพวกทองเหลืองหรือใช้น้ำแต่ทีนี้พระนั้นวินัยห้ามดูกระจกนอกจากไม่สบายเวลาพระเจ้าสอนจึงมักใช้น้ำเพราะน้ำนี่ส่องดูเงาหน้าของตัวเองเกินเป็นแปลเป็นอะแรแต่เราก็ส่องดูได้ การดูจิตดูถูกดูผิดดูความควรดูความไม่ควรจนสามารถทีกระจัดความเห็นแก่ตัวลงไปได้นั้นจิตใจจะต้องสว่างหรือพูดได้ทันสมัยหน่อยก็เรียกว่าจิตใจต้องปร่งใสโปร่งใสพอสมควรที่จะไม่หลงตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองแต่จิตใจที่จะเป็นเช่นนั้นได้จะต้องเป็นจิตที่ไม่เกาะไปนิวรณ์ ถ้าใจเกินไม่นิวรอข้าใดข้อหนึ่งอูความโปร่งใสหรือความผ่องใสที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โดยทรงที่เห็นว่ากาแมฉันนั้นจะเหมือนกับน้ําที่เจือด้วยสีสารพัดสีถ้าลองมองภาพดูว่าน้ําที่เจือด้วยสีสารพัดสีถ้าเราส่องดูเงาห น, น้าในขณะนั้นมันก็ไม่ชัดมองเห็นอะไรไม่ชัดมันมีความขุ่นหมัวอยู่ อารมณ์รักเวลาเกิดขึ้นนั้นจะมีเหตุผลน้อยลงโดยดําดับเพราะจึงถูกหลอกได้ง่ายๆโดยใช้อะไรก็ได้อย่าในสาดกในอัตกถาพระเจ้าเล่าเอาไว้เป็นอันมากแสดงเห็นว่าพอมันจุดเริ่มต้นที่กามชั น, นต่อไปมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นพอกิเลสตัวนี้เพิ่มเนี่ย ความหลงจะเพิ่มตามนั่นกลากแล้วจะมีเหตุผลสติปัญญาน้อยให้ลองสังเกตว่าสัตว์ที่มันติดบ่วงติดกรงติดแกลบติดกระต่ะายแต่ก็ดักไ้ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากความหลงคือขาดสติเดินไปเหยียบมาเลยแต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเห็นอาหารที่เขาล่อเอาไว้ เราก็ไม่มองอย่างอื่นตานองใกล้ๆกับปลาติดเป็ดหรือมองไปที่อาหารแต่จะขาดความรอบครอบในขณะนั้นเพราะนั้นถ้าเรามองดูสภาพจิตในขณะนั้นจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามสแสดงความอยากนั้นทุวมทับใจเหตุผลสติปัญญาสติสัพพัญญะมีกระงอ่อนมันก็ตกเป็นเหยื่อ เป็นเครื่องมือติดกับติดบ่วงติดแล้วติดขวากติดอะไรก็ตามเพราะนภาพเหล่านี้ที่เคลื่อนไหวกันเราเองก็เคยเจอหลายครั้งคนอื่นก็มีเป็นตัวอย่างให้พวกเพาเห็นดูเป็นนันมากนั่นคือสภาพจิตที่มันเหมือนกับน้มเจอือริสีคือไม่ค่อยเห็นเหตุผล ตัวอย่างที่ท่านแต่งเอาไว้เป็นคำกรอนที่บอกว่าความรักมันโรคาบรรนันตายมืดหม่นไม่ยินและไม่โยนอุปสรรคหนใดๆไอ้คําว่าไม่ยินไม่โยนนั้นคือใส่ใจอยู่เฉพาะเรื่องที่ตัวรักไม่แต่คํานึงถึงอุปสรรคไม่คํานึงถึงอันตรายไม่คํานึงถึงขวากหนามต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไหรก็ไม่รู้ประกาศการระบาดระวังนั้ น, นการของจิตในเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวก็สร้างปัญหาสารพัด จนถึงล่มสลายแห่งอาณาจักรบางอาณาจักรจน ถ, ถึงดึงค น, นงต่างๆเป็นอันมากเข้าไปมีส่วนลบหายตายจากไปต่างๆที่คนเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มีการประพฤติกรรมกันการมองกิเลสไม่ว่าจะข้อใดก็ตามต้องมองเห็นโทษทั้งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งที่เป็นนามธรรม ท, ทั้งที่เป็นอาการปรากฏแก่จิต ท่นที่ทรงแสดงโทษควากิเลสว่าเป็นบาปแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําจิตให้เศร้าหมองเป็นโทษคือเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนที่ตัวเองจะต้องสัมผัสเป็นความเสื่อมได้แก่ความตกต่ําในด้านต่างๆเป็นอบายเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นต้นเนี่ยที่ท่านว่าไปเป็นแถวจริงๆไม่มีอะไรมันเป็นอาการควากิเลสเท่านั้นเอง หมายความถ้าเราตัดกิเลสลงไปได้หรือว่าลดความรุนแรงกิเลสลงไปได้ความเศร้าหมองก็น้อยลงหน่อยมันก็น้ําจืดสีแต่ว่าสีน้อยหน่อยก็มองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความทุกข์ก็จะลดลงไปความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นได้น้อยไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได้ป้าไอ้ตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะฉะนั้น บางทีมันก็ปิดนรกไปได้ที่อาจเรียกว่าพนจากอบายได้การดูอบายนั้นพึงสังเกตว่าอบายมุกทั้งหลายนี่ดูง่ายๆไม่ต้องเอาอบายในรกอะไรข้างล่างก็ได้ใเราสังเกตแต่ละอย่างนั้นจะมีโลภหลงอยู่แรงดื่มสุราก็โลภหลงแรงเล่นการพนันก็โลภหลงแรงเที่ยวกลางคืนก็โลภหลงแรงถึงการเล่นต่างๆก็โลภหลงแรงแเกลี้ยงหิงแัะเลงสุราโลภหลงแรงทั้งนั้น เพราะถ้าเราหยุดคิดสักนิดหนึ่งแต่และเรื่องนั้นไร้สาระทั้งนั้นเป็นการเบียดเบียนทำลายสุขภาพพลาทาใหม่ของตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่พี่น้องวงศากันายญาติปัญญาเป็นต้นแต่เพราะความโลภมันจัดทำให้ความหลงมันจัดจิตใจจะ ขาดการทรงตัวขาดการควบคุมตัวเองจนต้องสายไปสู่อารมณ์ต่างๆโดยชดใช้อารมณ์ความต้องการที่บงังเกิดขึ้นาการพยายามมองคิดได้เห็นโทษที่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องราวเป็นบุคคลเป็นเหตุการณ์ต่างๆไม่จากข่าวสารหนังสือพิมพ์เป็นต้นเนจะก่อให้เกิดความกระตือร้นที่จะพยายามป้องกันกระแสของกิเลสลดละบรรเทากระแสของกิเลส เพิ่มพูนกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นและพยายามรักษากุศลธรรมเอาไว้เพื่อให้สุขภาพจิตของตนดีมีความสงบมีความประนีตเยือกเย็นตามแต่ระดับแผงธรรมะปฏิบัติที่ตนสัมผัสได้ในขณะนั้นและเมื่อได้รับผลระดับใดก็ตามจะถ้าอุตสาหะในกุศลธรรมก็จะเพิ่มขึ้นจนสัมผัสผลได้สูงมากยิ่งขึ้นตามสมควร ต่อจนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป